ที่เละมันรวเร็วมันวเร็วตอนที่เรายังไม่จ่อใส่มันเนยมันทําเหมือนกับมันมันทําเหมือนกับไม่มีชีวิตจิตใจไม่ไม่มีวิญญาณเลยเพราะเรากําหนดจดจ่อตั้งท่าใส่มันเท่านั้นโธ่มันตื่นแล้วเลื่นตัวมาเผลอไปได้เลยโดนมันก่อนโดนมันเย็บก่อนหล่ะอยู่ในใจแล้ว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 ลองตั้งท่าพวกนี้เพล้ก็ได้เดียเยเดเด๋ยวมาแทรกและเพลอก็ได้เดี๋ยวมันแทรกแต่ถ้าเราไม่ได้ตั้งท่าใส่มันเนี่ยนั่งทลายก็ได้วันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่ต้องตั้งท่าใส่มันเนี่ยนั่งเทลายนั่งได้เทนะ่านั้นพอเราตั้งท่าแล้วนะเอาสักห้านาทีห้านาทีทำไมมันนานเหลือเกินครึงชั่วโมงครึ่งชงั่วโมงมันทํามมันนานเหลือเกิน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 หมายความว่าเราเอาสติเอาสัมผชัญญาเนี่ยมาเกาะจิตมาจับจิตแล้วให้จิตอยู่ในอำนาจของสติของสัมผชัญญาเพระาะสติเอ้ยสัมผชัญญาเอ้ยเนี่ยมันเป็นธรรมะมันเป็นธรรมมันเป็นเครื่องที่ส่งย้อนมาที่จิตและจิตเนี่ยรู้จักตัวของตัวเองรู้เนื้อรู้ตัวตื่นเนื้อตื่นตัวเป็นตัวของตัวเอง ไม่ถูกไม่ถูกอำนาจของกิเลสมันครอบคลุมไม่ถูกอํานาจของกิเลสมันครอบรู้สึกนอรู้สึกตัวตื่นเน้อตื่นตัวขึ้นมาคอย ร, ระแวดระวังขึ้นมาสรุปรวมแล้วก็คือความสํารวมระหว่างความสํารวมระหว่างก็คือเมื่อเราตื่นเนื้อตื่นตัวถ้าเผื่อว่าจิตใจครับเป็นจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัว ถ้าเปื่อเป็นบ้านก็คือเจ้าของบ้านเฝ้าอยู่กับบ้านถ้าเผื่อซับก็คือเจ้าของทรัพย์เฝ้าอยู่กับซัพยบมันเป็นการทรรมาระวังไม่ให้อันตรายไ ม, ไม่ให้อันตรายจากโจรจากขโมยไม่ให้อันตรายจากไฟจากอันตรายทุกอย่างจะพึ่งเกิดขึ้นกับทรัพย์ของเราอันนี้ก็เช่นเดียวกันร่างกายของเรานะเป็นทรัพย์ จิตใจขอเาเป็นทรัพย์เป็นทรัพย์ของธรรมนะเป็นทรัพย์ของธรรมถ้าเราเอาสติธรรมมากากับเอาสัมผัจัญญธรรมมากำกับกายของเราก็กลายเป็นทรัพย์เป็นทรัพย์ของเราจิตของเราก็เป็นกลายเป็นทรัพย์ของเราถ้าเราไม่เอาธรรมมากากับกิเลสมันก็ไปเป็นทรัพย์ของมันมันมาแอบใช้กายนี้มันมาแอบใช้จิตนี้ <kolay> ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนกลายเป็นสมบัติของมันทั้งหมดเราเอาเอาอะไรมาเป็นประโยชน์กับกับเราคาว่าเราในที่นี้หมายถึงธรรมะเอามาไม่ได้เพราะอำนาจของมันนี่มากมายมหาศาลมากกว่าน้าในมหาสมุทรอานาจของความอยากของกิเลสมากกว่าน้าในมหาสมุทร ม, ม, มหาสมุทรนาทิตตัญหาสมานาที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 ความอยากมออกมาทางตาทางหูทางจงมูกทางดินทางกายทางใจมาหาเศษหาเลยหาผลกำไรหาผลใครได้ให้กับมันนแหละอิ่ม่อ า, มากของความอยากเราเห็นไหยเราเห็นอำนาของคนอยากไหมถ้าเราถ้าเราได้สังเกตคนมีนิสัยชอบหยิบชอบช่วยชอบลักชอบขโมยเนี่ยเราดูที่ตาเขา ทัตตาเขาไปอยู่ในในที่ที่ที่จะมีอะไรเอื้ออานวยให้กับที่เขาจะพอยใชยโอกาสได้เราจะดูตามเขาเราจะดูใกล้ดูไกลดูซ้ายดูขวาดูซอกดูมุมดูจดจ่อดูสังเกตละเอียดเพื่อจะหาช่องหาฐานนั่นกิเลสคือความอยากมันมองทางตาก็เช่นเดียวกันออกมาแล้วมันก็จ้องหาดูสิ่งที่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 มันออกมาทางตาเกิด ค, ความรักเกิด ค, ความชอบขึ้นมาแท้จริงก่อนที่จะเกิดความรักเกิดเกิดความชอบชอบใจพอใจมันก็มีความอยากมันดิดมันดิ้นอยู่ข้างในมันก็ออกมาออกมาหาพอออกมาแล้วก็มาหาหาแล้วไปเจอเจอสิ่งที่ถูกก็ ถ, ถูกชาติถูกชนนิสยัยดูดเข้าไปดูดเข้าไปมีความชอบใจมีความพอใจนะ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 ยาตเยิมหยดย้อยยิ่งกว่าเทพธิดานะั่นนะ่ะยกตัวอย่างเช่นอย่างพระเจ้าประเสนณทิโกศลพระเจ้าประเสนณทิโกสนเะนี่ยมีวันหนึ่งท่านเสด็จเรียบพระนะครเสด็จเรียบพระนะครไปเนี่ยไปไปไปไปไปคือนั่งนั่งช้างไปนั่งช้างเสด็จเรียบพระนะครไปพอดีผู้หญิงคนหนึ่งเขามีสามีเลยนะเขามองลอดหน้าต่างมาจากบ้านนะ พระยาประสิทน้าที่ก็สตริยเลือกไปเห็นพอดีเลือกไปเห็นอยู่อยู่ตรงกลางหน้าต่างเนี่ยพอเห็นท่านั้นเนี่ยโอ้ติดอกติ ด, ด, ด, ด, ดใจพอพอใจมันไปเกาะท่านั้นแหละไอ้ความวาดที่เรียกว่าสัญญามันหมายไปหมายว่าดีว่าเด่นว่าสวยว่างามว่าอย่างนั้นไว้าอย่างนั้นตีใจชอบใจยิ่งผูกมกัดรับตึงจิตใจอยู่อ่านไม่ได้นอนไม่หลับจ้ะท่า พอกลับไปถึงวังกระถามถามพวกอามาะนะถามเธอเห็นไหมเห็นสตรีนางหนึ่งเห็นไหมอยู่ที่บ้านหลังนั้นหลังนั้นพอเห็นเราแล้วก็เห็นหลบหายไปเนี่ยการเห็นหลบหายไปในขณะนั้นเหมือนกับเหมือนกับความงามของดว ง, ดวงจันทร์ที่มันหลบหลบเข้าไปในกลีบเมฆเลยหลบเข้าไปในกลีบเมฆแล้วความรู้สึกของความอยากเนี่ยมันเสพสุกเข้าไปที่จิต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 ทราบว่าเขามีสามีแล้วก็เลยบอกให้สามีเขาเนี่ยมารับใช้ใกล้ชิดหาอุบายเพื่อที่จะฆ่าเขายึดเมียว่าจะฆ่าผัวแล้วก็ยึดเมียเนี่ยใช่ไหมมีเรารู้มไหมวิธีการเอาอาหารกินของเจลีนนี่คืออํานาจของความอยากมันไม่เคยคิดว่าผิดชอบชั่วดีอะไรทั้งไรไม่เคยคิดเลยในขณะที่มันมองหาเหยื่อเหมือนกับอะไรเหมือนกับเจียว หรือเหมือนกับนกเข้าหรืออะไรต่างๆที่มันมองหาเหยื่อเพราะเขศาสตร์สายตาบ น, นี่แสดงว่ามันไปด้วย อ, นอวานาจของความอยากไปด้วยกระแสของความอยากพอไปเจอสิ่งที่ถูกใจใกันเนี่ยมันก็ติดกิเลสมันติดฮึบถ้าเป็น ถ, ถ้าเทียบกับไฟกับเชื้อนี่ก็อ๋อเชื้อกับไฟต้องกันเขาฮึบไมหมฮึบเกิด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 เพืที่จะมาเสพสุขเนี่โอ้ทำไมรู้สึกมันยืดยาวแล้วคืนไว้คือทั้งคืนวันทั้งวันเขานอนไม่หลับคืนนั้นทั้งคืนนอนไม่หลับคืนทั้งคืนนั้นทั้งคืนนอนไม่หลับทีนี้พอสามีคนนี้เข้าไปรับใช้ใกล้ชิดมีวันหนึ่งเขาก็บอกบอกในสิ่งที่เหลือวิสัยที่บุรุษคนนั้นจะทําได้ให้ไปหาดินเสยยรุน ทราวาสีดินเสียรุู่้นอยู่ที่สานดานุนซึ่งสานดาก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนใกล้ๆขนาดไหนก็ไม่รู้แหละว่าเธอจงไปเอามาให้ทันเวลาเราสงสนานใ น, ในตอนเย็นวันนี้สงสนานในตอนเย็นวันนี้ทีนี้ไอ้บรุษบรุรคนนั้นก็ลุกไปแต่เช้านิดลุกไปแต่เช้าก็รู้ด้วยว่าที่ประชาร์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 พอได้ข้าวไปห่อข้าวไปก่อนจะกินข้าวก็ขอบวงสรวงเกวดาอารักพญานงพญานาคอะไรต่างๆสิ่งใดที่มีฤทธิ์เดชเดชานุภาพนี่ให้มาช่วยให้มาช่วยด้วยว่างั้นเถอะทีนี้เทวดาทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็เห็นการกระทาของประราชาที่ไม่ค่อยจะเป็นธรรมนะักก็เลยมาช่วยว่างั้นะก็เลยมาช่วยช่วยย่นระยะทาง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 ยนระยะทางยนระยะทางเไปถึงสาโนดะไปถึงสาโนดะพระเจ้าประสิทธิโกศนี่คิดอยู่ว่าอุบายวิธีที่เราทำนี่เราหวังจะให้เขามาไม่ทันแล้วเราจะเราจะยึดเมียเพรา ง, งั้นเราจะทำโทษแล้วก็ยึดเมียแต่ก็มีคิดอีกอย่างหนึ่งว่าบรรดาในโลกนี้นี่ถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่เหลือวิสัยของเขาก็ตาม แต่เขาอาจจะจะได้มาด้วยฤทธเดชเดชานุภาพของเทวบุตรเทวดาของสิ่งมีฤทธบรนดานในเขาก็ได้เพราะฉะนั้นตะวันยังไม่ตกดินอ่ะไปสั่งให้เขาปิดประตูซะก่อนแล้วบอกมาว่าให้ให้มาให้ทันมาให้ทันตอนข้ามวันนี้เพื่อที่จะได้สงสนารนะเขาก็ไปแต่เช้าอุตส่าหไปแต่เช้าแล้วก็มามาทันเวลาอยู่แต่ว่าพราะเจ้าเป็นดินอีกสั่งให้เขาปิดประตูตั้งแต่กลางวันกลางวัน ป, ป, ปกติ ไปก็เข้าเข้าเมืองไม่ได้ตอนี้พราเข้าเมืองไม่ได้ก็เอาดอกบัวกับดินเสียดูเนี่ยทิ้งไว้ตรงนั้นแหละรู้แล้วว่าพระเจ้าเป็นดินอีกแกล้งเจ้าของละแกลง้งก็เลยมารำพึงรำพันโอ้การที่เรา ม, มีมีเมียงามเนี่ยมันเป็นโทษเป็นภัยอย่างนี้อืก็เลยหนีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่หนีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนนี้ด้วยความ ร, าร้อนร้อนเองไ ป, ปย่อภาสีนักที่ก่สนคือนั้นทั้งคืนนอนไม่หลับ มันกระสับกระใสเกี่ยวกับเรื่องอความใข่ความกำหนัดกับเมียของเขาอันแหละเห็นไหมนี่คืออำนาจของกามกามทั้งหลายนี่มันร้อนร้อนร้อนมากเหมือนอย่างธรรมบทที่เราฟังตอนค่ำตอนหัวค่ำบรรดาความร้อนทั้งหลายไม่มีอะไรร้อนแรกเท่ากับอำนาจของกามราคะขี้ไฟคือราคะ ม, มันร้อนมาก ร้อนบรราร้อนทั้งหลายส่วนอำนาจของความกําหนัดความรักใคร่ความพอใจไม่ได้ น, นี่คือกามกําหนัดในกายความเร่าร้อนของกามที่นี้พระเจ้ปเสนที่สุขสลดเนีนอนไม่หลับคืนนั้นตั้งคืนนอนไม่หลับก็จับกระสายด้วยอํานาจกามพอดีก็มีมีสรรนรกสัรนรกสี่ตนน่ยมันโผล่ขึ้นมา สันรกสี่ตนเนี่ยเขาตกเขาตกนรกเนี่ยสองหมื 20, ่นปีสันณรกเนี่ยคือนั่ น, นได้ยินเสียงสันรกพูดคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาว่าทุกคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาอีกสะคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาอีกนะคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาอีกสโสได้ยินว่าทุกสัตว์นาโสเจ้าปเสนที่เขายิ่งกลัวหนักเลยท่นี่ กลัวหนักเสียงอะไรแปลกประาดอัศจรร น, น่ากลัวเหลือเกินน่ากลัวเหลืนนอนก็นอนไม่หลับทั้งคืนนอนไม่หลับทั้งคืนอเดือยอำนาจของไฟราคะมันเผา น, นไม่หลับทั้งคืนพอดีวันรุ่งขึ้นไปก็ไปฟ้าพาระพุทธเจ้าเลยวันรุกขึ้นไปก็ไปฟ้อพระพุทธเจ้าพอดีบรุษคนนั้นก็อยู่ใกล้ใก้พระพุทธเจ้านั่นแหละแต่ไม่เห็นเจ้าประเส น, นทิโกศลไม่เห็นพอไปทูลถาม ข้อข้องใจพุ้ติเจ้าท้าก็ลงทรงประยักว่าไม่ไม่ใช่อะไรดอกบบกิสัตว์นรกสี่ตนเนี่ยเขามีโอกาสโผรนรกเนี่ยโลหะคุ้มพีเนี่ยหม้อทองแดงเนี่ยมันลึกแปดหมื่นสี่พันยอทีนี้โอกาสที่จะจมลงไปในนรกเนี่ยหนึ่จงหมืนปีจมจากปากหม้อไปลงค น, คนนรกเนี่ย หนึ่งมืนปีแล้วก็โผล่จากก้นนรกมาถึงปากปากหม้อเนี่ยหนึ่งมืนปีมันเหมือนกับว่าถูกถูกต้องอยู่ในหมอ้อตรงแดงนั้นเถอะทีนี้ไอ้ตอนนี้ที่เขามาโลเนี่ยมันเป็นช่วงที่เขามาโลถูกถูกมันเดือดแล้วก็มาโลที่ปากหมอ้อพอดีพอโผล่ขึ้นมาเขาก็พูดได้คาเดียวว่าทุกคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งก็พผลขึ้นมาอีกแบบซา เราก็จงลงไปแล้วคนหนึ่งก็นักคนหนึ่งอีกก็โส อ, อีกเพราะว่าได้แค่คําเดีย ว, วจรจงลงไปแล้วว่าได้คําเดียวก็จงลงไปว่าได้คําเดียวก็จงลงไปแล้ ว, ว, ว, วนี่คืออํานาจของสัตว์นรกที่อยู่ในหม้อกระทงทองแดงมันถูกกำต้มอยู่ในหม้อนรกกระทงทองแดงทนีทนพ้พระเจ้าประสิทิ์ฤทธิกุศลก็เลยถามความเบื้องหลังว่าสัตว์นรกเหล่านั้นเป็นยังไงเป็นชนัยพระงองค์ก็ทรงตรัสว่า มีสมัยหนึ่งสมัยหนึ่งมีรูปเศรษฐีทั้งสี่คนนั่นแหละทั้งสี่คนที่จะตกนรกนั่นแหะเมื่อสมัยนั้นเขาเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีเสร็จแล้วเขาไม่ต้องทํามา ก, กินมีทรัพย์สมบัติมากมายพอที่อยู่สุขสบายใช้สอยอยู่สุขสบายวันๆเขาก็หาแต่ความสุขหวังแต่มีอยู่มาวันหนึ่งเขามาพบกันเขามาเจอกันเขงพูดเอ๊ e, สหาย พวกเราทํำยังไงเราจะมีความสุขทํำยังไงเราจะมีความสุขคนหนึ่งก็ว่าหาของอร่อยๆมากินให้อร่อยคนหนึ่งก็เอาเหล้ามากินให้อเนอร่อยคนหนึ่งก็ว่าอย่างนั้นคนหนึ่งก็ว่าอย่างนี้ว่าทำไงเขาจะมีความสุขไอ้คนหนึ่งนี่เห็นแตกต่างจากหมู่เลยสหายพวกเรามีคาถาพร ะ, ะ ม, ามาเยอะแยะไม่ยาก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 ผู้หญิงก็คือผู้ชายผู้ชายก็คือผู้หญิงอย่างนั้นถือว่าเป็นยอดของกามเพราะฉะนั้นเขาจับตรงนี้ก็ถือว่าเขาได้บำรุงบำเบอยอดของกามแหล ะ, ะก็เลยตกลงตกลงปลงใจแต่ละวันแต่ละคืนล่วงไปเขาก็ไปหาอย่างงั้นแหละไปหาจ้างลูกเขาไปหาจ้างเมียเขามาบำรุงบำงเบลจเจ้าของอยู่อย่างนั้นเป็นเ น, นื้อมินิพอตายจากอัตภาพนานไปสหายทั้ง 4, สี่สายนี่ก็ตกนรกนี่แหละ ที่ตกนรกหม้อทองแดงเนี่ยผู้จะนักโซเนี่ยพระเจ้าประเสนทศิโกศลฟังแล้วก็ฟังแล้วก็โอ้แทงใจเจ้าของเลยทะนี่เรานี่กําลังจะโกงอาเมียเขาเนี่ยพระเจ้าประเสนทศิโกศลเนี่ยกำลังลังจะโกงอาเมียเขาก็ดีเนี่ยพอพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอย่างนั้นให้ฟังสุดดุ่งเลยจะนี่ส่งสะดุ้งเลยทีนี้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 ของเกิเลตภายในจิตที่มันอยากมันจะมีความอยากอย่างนั้นแหละอันไหนที่มันเห็นว่าอร่อยที่สุดมันชอบที่สุดในขณะนั้นในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมาส่องมาส่องกมกลมเงยเงยเลี้ยวซ้ายแล้วขวาส่องหาสิ่งที่มันชอบอกชอบใจพอพอใจที่สุดพอเห็นปั๊บมันก็แป๊บเข้ามาที่หัวใจนั่นมันมัดเอาไว้แล้วนี่เห็นไหมมันมัดเอาไว้แล้ว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 ติดออกติดใจกับอำนาจของวัตถุตามนันแะเพราะนนท่านจึงให้พิจรารณาพิจารณาสีพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาผิวคือสีนะี่ยที่เรียกว่าผิวหนังผิวหนังพอเปอะผิวหนังออกไปข้างในเหมือนกันหมดเยิ้ไปด้วยเลือดเยิ้ไปด้วยเนือ้อแล้วก็ลองดมดูกลิ่น มันไม่มีกลิ่นหอมเหมือนระบบน้ำหอมชั้นดีที่ไหนกลิ่นสาบกลิ่นสางกลิ่นคาวเนื้อกคาวเลือดกับคาวเมือก็คาอับเมื่อก็พอออกมาแล้วมาอับตามที่อับอับเชื้อเชื้ออะไก็มีกลิ่นอับอเราดูทั้งปากทั้งปากก็มีก็มีมูลปากมีขี้ปาก มีกลิ่นเหม็นจมูกก็มีขี้จมู ก, กมีกลิ่นเหม็นมกล่นเท้าดว ต, ตาก็มีกลิ่นเท้าหูแค่ที่หัวามาดูมาดมดูอืมันไม่มีอะไรหอมสักอย่าแต่ถ้าเป็นกิเลสมันเสกมันสารขึ้นมาเนี่ยต่อให้เน่าเฟะนอนชอนชายยัวเยียยุบยับมันก็ยังมีความกำนัดกินดีด้วยอำนาจของกิเลสที่มันมีความกำนัดเกาะขึ้นที่ใจเนี่ย กิเลสมันพร้อมที่จะปิดหูปิดตาของเราให้เราเห็นแต่ของปล่าเพราะฉะนั้นเราก็วิ่งตามมันทั้งวันทั้งคืนไม่มีจุดจบเหมือนอย่างพระเจ้าประสิทธิโกโเนี่ยร่าร้อนหมดทั้งคืนเป็นราตรีที่ยาวนานที่สุดราตรีของคนนอนไม่หลับเพราะกระสับกระส่ายเรื่องกาชอบเมียเขาอะเมื่อไรเราจะได้เมื่อไรเราจะสิ้นสุดเ ม, s <S มื่อไรจะสมบัตเมื่อไรจะได้ทําไม่ได้วิสัยของพระพุทธเจ้า พระพุทธานุภาพเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นสัตว์นรกเลเหมือนสัตว์นรกสี่ตนนั่นแหละนี่ก็เช่นเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ศึกษาธรรมจึงให้ปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมคือศึกษาธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือให้ย้อนมาดูตัวเองย้อนมาดูกายของตัวเราย้อนมาดูจิตของตัวเราเพราะถ้าเราไม่ย้อนมาดูเเราก็หลงหลงจิตตัวเองหลงกายตัวเองเมื่อหลงกายตัวเองแล้วก็หลงกายของคนอื่น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 พิจารณาถึงความไม่สะอาดหรือก็แบบพิจารณาหเห็นเป็นตายเงี้ยตายขึ้นอืดขึ้นอืด ข, ขึ้นพองอแล้วก็จะเริ่มเน่าแล้ก็จะเริ่มเปือ่อยน้ําเหลืองเยิ้มมีแมงวันมามาปล่อยลูกใส่อะปล่อยลูกเป็ น, เ ป, นเป็นใส่ลงไปก็ชอนใช้ยุบยับ ย, ยุบ ย, ยับยุบยับบางทีก็มาไข่ลงไปแล้วก็อ่าฟักออกมาก็เป็นตัวหนอนเป็นฉันฉน ช, ช่อนใยโยเทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ยุบยับโยเยยุบยับเจาะช่อนใยวันคืนล่วงไปมันก็เปื่อยมันก็เน่ามันก็หลุดมันก็ร่วงไปทั้งดําทั้งเขียวทั้งแดงนะพอมาถึงตอนนี้เราก็กําหนดูกลิน่นกลิ่นขนาดไหนกลิ่นของสิ่งปฏิกูลเปื่อยเน่าขนาดนั้นนะเราดูแล้วเราสื่อเสียแผ่มันบรรเทาราคาได้นะมันบรรเทาความกํำลัง ม, มันเท่าความยินดีในรูปละต่างๆเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเหมือนกับโล่เราพิจารณายกขึ้นมาปอกป้องไม่ให้มันเกิดความกำหนดความยินดีเท่ากับว่าเราเอาโล่มาปอกป้องอาวุธจักฆ่าศึกศัตรูนี่คืออาวุธที่พระเจ้าท่านส่งมอบให้กำหนดพิจารณาปฏิกรูณาสุภะมาสุภังดูไปจนเห็นความจริง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 เอาสิ่งเหล่านี้มาปกป้องทีไรเมื่อไรแล้วก็ความกำหนัดในรูปหญิงรูปชายนี่มันก็จะชะลอไปมันก็จะเบาไป อ, าอย่างที่ว่าน่ะอันนี้จังทุกขังอนัตตาอาศุภะอาสุพังความปฏิกูลโสโครของร่างกายสิ่งทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าทั้งสมมอบให้ให้เรามาพิจรารณาให้เห็นในในกายของเราในกายของเราที่ว่าเป็นส่วนให ญ, ญ่ ถ่าหเราจะไม่พิจารณากายเราไปพิจารณาจิตจิตเป็นเรื่องที่ละเอียดขึ้นไปอีกเราจะเห็นความพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงที่ท่านเรียกว่าที่ท่านเรียกว่าอานิจจังอนิจจังคือไม่เที่ยงทุกขังคือทนอยู่ในภาวะเดิมไม่ได้ทั้งอนิจจังทั้งทุกขังมันเป็นไปตามภาวะของมันเราไปบังคับบัญชาเราไปดัดแลปลงไม่ได้ท่านจึงเรียกว่าอนัตตาอนัตตามากำหนดพิจารณาสิ่งเหล่านี้หลย เหมือนกับโล่เรามาปกป้องตัวเราเองหรือไม่ฉันอย่างมาบรรเทาราคะบรเทาความกำนัดยินดีในรูปผิ้รูปชายท่านก็ให้ยกปฏิกูลโสโคร้ออสุภะอสุพังมากำหนดมาพิจรารณามากำหนดมาพิจ า, จารณาจะค น, เ ป, นเป็นธรรมดาแล้วก็ดูดูสิ่งปฏิกูลมันหลายออกมา มันไหลออกมาตามผิวหนังตามคุ้มคนมันไหลออกมาทางปากนอนน้ําลายเยิ้มมันไหลออกมาทางหูที่หูอาาอกมาทางตาที่ตาออกมาทางจมูกคีจมู ก, ออ ก, นนกออกไปทางทวารหนักออกไปทางทวารเบาสิ่งที่ไหลออกมาแต่ละช่องแต่ละช่องมันไม่มีสิ่งน่าชื่นชมยินดีอะไรมีแต่สิ่งปฏิกูลโสโครกน่าดังเกียด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 โอ้รังกายของรปฏิกูลอย่างนี้จริงๆโศคร้อยอย่างนี้จริงๆอสุภะอสุพังอย่างนี้จริงๆธรรมท่านบอกว่าอสุภะอสุพังแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของกิเลสมันบอกเราว่าสุภะคําว่าสุภะแปลว่างามอสุภะแปลว่าไม่งามสุภะสุพังสุพังก็คือสุภะสุพังก็คืออันเดียวกันนั่แหละ สุภาก็คืองามสุพังก็คืองามอาสุภาก็คือไม่งามอาสุพังก็คือไม่งามมั น, นเป็นศัพท์ภาษาบาลีถ้าให้เรียมองมันมองเป็นเห็นเป็ น, ป น, ปนงามไปหมดแต่ถ้าให้ทํามองเนี่ยมองเห็นปฏิกูลโสโครอบไปหมดนี่อันนี้จำทุกคั้งนับตาปฏิกูลอสุภาอาสุพังถ้าเราจะเทียบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคู่มือนในการประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกับว่าเป็นโล เราหยิบยกขึ้นมาเพื่อปกป้องไม่ให้อะไรเพื่อปกป้องไม่ให้อัดตาโผล่ขึ้นมาตัวตนโผล่ขึ้นมาเพื่อให้เราทราบตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้เป็นอนิจจังคือไม่ไม่เที่ยงไม่คงทนเรามีความเห็นว่าเที่ยงว่าคงทนเพื่อปกป้องไม่ให้มันเห็นว่าเป็นสุขเอาความทุกข์มาปกป้องว่าไม่เห็นไม่ให้เห็นมันว่ามันเป็นมันเป็นสุขแท้จริงมันเป็นทุกข์ กิเลสมันเสกว่าเป็นสุขมันไม่เที่ยงอกิเลสมันเสกว่าเที่ยงมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่กิเลสมันกิเลสมันเสกว่าเป็นตัวเป็นตนเราก็เลยหลงมันหลงไม่รู้กี่ทบหลงไม่รู้กี่พับหลงทับทั บ, ท, บทับกันทับทมกันจนจนไม่มีที่จะชอนชยัยเห็นทางออกแหละจมปลักอยู่กับมันจมปลักอยู่กับมันทัวันทั้งคืนยืนเดิ น, นทั้งนนตลอดทั้งภบทั้งชาติ ชาดแล้วชาดเล่าชาดแล้วชาดเราไปจ้องปรับอยู่อย่างนั้นแหละไม่จบไม่สิ้นถ้าไม่มาศึกษาเรื่องอัติยทํารรมคือข้อปฏิบัติเราเอามาเป็นข้อกากับเพราะสิ่งเหล่านี้นี่มันหมกมุ่นอยู่กับคิตของเราถ้าเราไม่ย้อมมาดูเรื่องความจริงต่างๆเหล่านี้เราปล่อยให้แต่ความอยากมันพลักออกมาความพลักของความอยากออกมานี่มันไม่เคยเล็นดีเราอะไรคือเหยื่อที่มันชอบที่สุดมันต้องการที่สุดมันก็แสวงหานั้นแหละ เสร็จแล้วมก็เสพสุขเข้าไปที่ใจแท้จริงกายเป็นเครื่องมือของใจเขาต้องการเขาต้องการความสุขเขาเสพสุขไปที่ใจเขาเอาตากับรูปมันเป็นสะพานเชื่อมแล้วเ็เสพสุขไปที่ใจเมื่อมันเมื่อ ม, มันไม่ได้ความสุขสมใจเขาก็เขาก็ได้เาก็ได้ความทุกข์เข้าไปในที่สุดวันคืนล่วงไปเราก็คอยรับเอาแต่วความทุกข์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 อะไรครมันก็ได้วิบากกรมมันได้วิบากกรรมร่างกายนี้เป็นวิบากกรรมร่างกายนี้เป็นกองทุกข์กองทุกข์นี้เกิดขึ้นมาได้จากอำนาจของกิเลสกิเลสท่าเรียกว่าสมุทัยสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์สมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วอะไรล่ะเป็นเหตุให้เกิดสมุทัยถ้าเราจะไล่ย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปทุกข์เป็นผลมาจากเหตุคือสมุทัยสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์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 แต่พุทธเจ้าท่านชี้ไปที่เรามีกายเกิดเกิดเกิดขึ้นมาได้อย่างไงเรามีจิตเกิดขึ้นมาได้อย่างไงเกิดขึ้นมาเมื่อไหรเพราะไม่ทรงพากรณ์พิยคอนแต่ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารเนื่องจากว่าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเป็นปัจจัยเกิดสังขารประกอบมาเป็นรูปเป็นรูปเป็นร่างประกอบประกอบมาเป็นจิตประกอบมาเป็นวิญญาณและประกอบมาเป็นรูปประกอบมาเป็นนาม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 ของพอกับธาตุของแม่ประสมกันอยู่ในท้องแม่แต่มีมีวิญญาณธาตุมีวิญญาณธาตุปฏิสนธิวิญญาณเข้าไปเกาะเกี่ยวแล้วก็เจริญพัฒนามาเรื่อยๆเจริญมาเรื่อยๆเจริญมาเรื่อยๆโตมาเรื่อยๆขยายตัวมาเรื่อยๆแก่ขึ้นมาเรื่อยๆภาษาธรรมะท่านว่าแก่มาเรื่อยๆแก่มาเรื่อยๆจากน้ําใสๆมาเป็นน้ำข้นๆมาเป็นเป็นเลือดข้นๆมาเป็นก้อนเนื้อข้นๆก็โตเจริญขึ้นมาเรื่อยๆเจริญมาเรื่อยๆเจริญมาเรื่อย สองอาทิตย์สาอาทิตย์สี่อาทิตย์หนึ่งเดือนสองเดือนสาเดือนโตขึ้นมาเรื่อยมาเรื่อยมาเป็นปัญจสาขามีแขนสองมีหัวหนึ่งมีลําตัวมีขาโตมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยอวัยวะทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดขึ้นตามภาวะของความเป็นสัตว์ตามภาวะของความเป็นคนเกิดเป็นสัตว์เป็นไปตามพันธุ์ของสัตว์เป็นอะไรครับรูปร่างลักษณะก็เป็นไปตามนั้นเกิดมาเป็นคนผิวพันธุ์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 ใครจะไปบังคับบัญชาไม่ได้แม้แต่จิตใจของเรานี่มันมาเป็นเจ้าของร่างกายนี่มันมาเกาะนับตั้งแต่ปฏิสนธิมา ถ, าถือว่าเป็นสมบัติของมันมันก็ไม่ไม่สามารถจะบังคับบัญชาได้จิตใจไม่สามารถจะบังคับบัญชากายได้ลักษณะของอนิจจังทุกขังและอนัตตาไม่ใช่หมายความว่ า, วาไม่ให้ดื่มไม่ให้คิดไม่ให้ทำไม่ให้ทํานี้ทำไมทำไมให้ัให้เกินไปตามใจเราทําได้ อันนั้นท่านไม่ว่าอันนั้นมันไม่เป็นเหตุของสัจจสัจจของสัจจะที่แท้จริงสัสจจะของสัจจะที่แท้จริงก็คือความไม่คงที่ของมันความเปลี่ยนแปลงของมันนี่คื อ, อนิจจังทุกขงังอนัตตามันไม่คงทนแบบนี้แหละแต่ถ้าหากากิเลตมันให้เราดูมันจะไม่ให้เราดูว่าอย่างนี้มันมันจะเสกมันจะกระซิบกระซาบกิตของเราบอกว่าร่างกายนี้เป็นนิจจังมันไม่ยอมแก่นะร่างกายนี้เป็นทุก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 โดยที่แท้จริงความจริงไม่ปรากฏแก่เราสมุทัยที่เกิดขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุใดด้วยเหตุใดเราก็ทราบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมาศึกษาทำมาปฏิบัติทมแล้วเราจะรู้เราจะเข้าใจกำหนดดูตัวเราในแต่กองทุกย้อนไปดูตัวสมุทยัยคือกิเลสมันเกิดขึ้นที่จิตดูไปตรงที่ความอยากความอยากของจิตพอเราย้อนไปเราก็เห็นความอยากโผล่มาพอเราย้อนไปเราเห็นความอยากโผล่มามันก็จะหลอ ย้อนไปมันก็จะหลอย้อนไปมันก็จะหล่อฉล้อหนักๆเข้ามันกำมือแบบมันลบไปเรื่อยลบไปเรื่อยลบไปเรื่อยจางไปเรื่อยจืดไปเรื่อยจางไปเรื่อยสติเราก็ดีขึ้นปัญญาเราก็ดีขึ้นสุติสมาธิปัญญาเมื่อประกอบกันมีกําลังมากเข้ามากเข้าอวิชชาตัวนั้นมันก็ค่อยเหือดไปแห้งไปเหือดไปแห้งไปจางไปจางไปกลายเป็นวิชากลายเป็นวิชาทีนี้ท่านบอกว่าเมื่ออวิชชาดับกลายเป็นวิชาแล้วเนี่ย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 รูปนามก็ดับยตนณดับผัสสัดับเวทนาดับคำว่าเวทนาดับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเวทนาไม่มีนะคือความอยากในเวทนาไม่มีเวทนาดับตัญหาดับภพดับชาติดับคือชาติดับคือคือไม่มีภพที่จะไปเกิดเมื่อมีไม่มีเกิดแล้วก็ไม่มีแกม่มีเก็บแล้วกไม่มีตายดับไปสุดสายนี่เขาเรียกว่าสายนิโรนิโรธวัระ ถ้เป็นสายของกิเลสแล้วก็อวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเืิวิญญาณอันนี้เป็นหลักที่พุทธิจาทังสงพิจารณาพิจารณาพิจารณาไปพิจารณามาและวพระองค์เข้าหลักมาเข้าหลักของปฏิปฏิจสมุปบาทนี่แหละทําให้พระองค์ทรงบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธะในวันวันเกิดเดือนหกนั่นเพราะตรงนี้เป็นข้อเป็นข้อแท็จจริงเป็นหลักของอริยสัจทั้งสี่หลักอริยสัจทั้งสี่ก็อยู่ในนี่แหละ อ, อยู่ในปฏิจจสมุปบาทนี่แหละคือพิจรารณาเพื่อทําลายของทุกเพื่อทํำลายความทุกเพื่อมาสาวหาสาเหตุต้นต่อการที่เราจะรู้จะเข้าใจอย่างนี้ได้เราจะต้องมาทำทำตามข้อปฏิบัติจะอย่งางพุทธเจ้าทั้งสองให้เราสร้างบารมีนับตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมเจริญสมถะกรรมฐานอิปัสสนากรรมฐานเนี่ยที่ททททททองค์ทรงสอนให้พวกเราชาวพุทธ วางเป็นพนื้นเป็นรากเป็นฐานในการสร้างคุณงามความดีการตั้งใจให้ทานมันก็เป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานการตั้งใจรักษาศีลก็เป็นพ Fahren, ื้นเป็นบาดเป็นฐานเพื่อเพื่อกิจของเราเพื่อกรรมที่ดีของเราเราจะมีที่เหยียบเหยียบเพื่อที่จะทํางานทํางานคืออะไรทำงานคือสมาธิคือปัญญารักษาศีลเพราะว่าศีลก็สามาัชฌนุนสมาธิสมาธิก็สามาัชฌนุนปัญญา เมื่อสินเราไม่ดีสมาธิเราก็จะไม่ดีเพราะความที่จิตมันมีเรื่องมีราวเนะี่ยมันก่อขวนตัวเองเวลาเราเราต้องการให้สงบมันสงบไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านที่ให้มีสินเมื่อมีศินแล้วเราก็ไม่ดั่งร้อยมันเน้นว่าเราไม่ดั่งพร้อยเราก็ไม่มีไม่มีรอยอะไรที่จะมาทิ่มแทงให้จิตของเราเนะี่ยต้องวอกแวกคลอนแคลนเราก็มานั่งภาวนาะให้จิตได้รับความสงบมันไม่มีเรื่องนั้นโผล่มาขวนเรื่องนี้โผล่มาขวน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 เพื่อสาวหาสาเหตุต้นต อ, นอความเป็นจริงเพื่อทําลายความรุ่มหลงของตัวเราเองเพราะถ้าเราไม่พิจารณาเราก็รุ่มหลงไปเรืรุ่มหงวันคืนเราก็อยู่กับความรุ่มหลงกิเลสพาเราหลงท่านท่านว่าภาษาธรรมะท่านว่ามีตาก็มีตากระทบตาบอดมีหูก็กรกทบหูหนวกเพราะว่าความจริงไม่ปรากฏทางตาความจริงไม่ปรากฏทางหู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 ที่เราจะต้องตอก่อนอย่างอย่างไม่จบไม่สิ้นถ้าเขาไม่ไม่ไปข้างหนึ่งไม่แตกไปข้างหนึ่งไม่ดับไปข้างหนึ่งถ้าเราทําไปเราทําไปเหนื่อยเนืยเราปล่อยเราอยู่เฉยเฉยเราไม่ทําเขาก็ยิ่งมีกําลังบังชาขึ้นมาแต่ถ้าเราทําไปหยุดไปไม่หยุดไม่หย่น ด, ดูไปเรื่อยขัดไปเรปื่อยกราวไปเรปื่อยกราวไปเรื่อยเขาก็จะอ่อนแรงไปเรื่อ่อนแรงไืออ่อนแรงคือจิตของเรามเริ่มฉลาดขึ้นรู้ว่าอะไรรู้ว่าอะไรเป็นไร right, รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ตื่นจากความลุ่มหลงหลงยึดหลงถือกับรูป ก, กับเสียงกับกลิ่นกับของข้างในกายกับของนอกกายหลงยึดถือสารพัดแต่ในที่สุดยึดอันไหนก็ได้รับความทุกข์กัอันยึดอันไหนก็ได้รับความความทุกข์กับอันนั้นนี่คืออำนาจของกิเลสภายในจิตสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงเป็นอยู่จริงปรากฏจริงอยู่เฉพาะหน้าเราเดียวนี้ตอนนี้เรามีกายกายเป็นกองทุกข์เราย้อนไปดูสมุดไทย ย้อนไปดูสมุทยัยคือย้อนไปดูกิเลสคือความอยากที่เกิดขึ้นภายในจิตจิตคือา่ารู้คือผู้รู้เราพยายามจะแยกสิ่งที่เคลือบแฝงมากับถ้ารู้กับผู้รู้ให้ผู้รู้เป็นอิสระตราบใดที่เราแยกได้หมดผู้รู้คือถ้ารู้มโนท่าตัวนี้จะเป็นอิสระจะไม่มีสังกับสิ่งใดท่านไม่เรียกว่าสังขารนสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยท่านไม่เรียกว่าสังขาร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 คืจิตดวงนั้นยังมีพิษยังมีสงอยู่เราพยายามชำนักขัดกล่าวให้หมดพิษสงลงไปเ<ม>หลือแต่เนื้อเนื้อเหลือแต่ธาตุแท้ที่บริสุทธิ์เนี่ยถึงนั้นแล้วท่านบอประมงสุขขงังประมงสุขขังนี่แหละคือบรมสุขอย่างยิ่งไม่จําเป็นจะต้องมีใครไปเสเวยล ะ, ะนี่เป็นความทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงก็หมดไปก็สิ้นไปภพทั้งหลายก็หมดไปสิ้นไปวัฏตะสงสารก็หมดไปสิ้นไปนี่คือนี่คือสุขโต สุขติสุขโตอ ย, อ, ยยอย่างอย่างแท้จริงนะพอสมควรแล้วเนาะนี่ก็พลิกพลิกฟื้นฟื้นเปิดเปิดแยีมเยีมให้พวกเราได้รู้ได้เข้าใจว่าอะไรเพื่ออะไรเป็นเหตุเป็นผลของอะไระอะไรเรามีความจำเป็นยังไงที่เราจะต้องตั้งใจศักษาศีลเรามีความจำเป็นยังไงที่เราจะต้องทำจิตให้ได้รับความสงบเรามีความจาเป็นยังไงที่จะต้องมาใช้ปัญญาพิจารณา เราศึกษาเรื่องจริงศึกษาของจริงของจริงก็คือตาหูจมูกลิกายใจของเราสิ่งที่มาปรากฏทางตากกคือรูปรกฏทางหูทางจ ม, มูกก็คือกลิ่นทางหูก็ทางหูก็คือเสีย ง, งจ ม, มูกก็คือกลิ่นทางลิ้นก็คือรสทางกายก็คือการสัมผัสเราศึกษาเรื่องจริงของจริงอยู่อยู่อยู่อย่างนี้แล้วเราเร า, เราจะเข้าใจสภาวะธรรมได้เร็ว กิเล่มันจะหลอกเราไม่ไมมันไอกิเลที่มันเคยหลอกเรามันจะค่อยๆหดไปหายไปหดไปหายไปเราไม่ต้องไปนึกถึงตําราข้อนั้นตําราข้อนี้อย่างนั้นอย่างนี้เรานึกก็ตามแต่ว่าเราจะต้องน้อมมาที่กายซึ่งเป็นของจริงอย่นี้นึกย้อนมาที่จิตซึ่งมีผู้เป็นผู้รู้เป็นของจริงอย่านี้มันมีความจำเป็นอย่างนี้เพื่อที่จะศึกษารู้เข้าใจก็จะได้ปล่อยประนาวันสรุป ยอดต้องการที่เราต้องการก็คือต้องการพ้นจากกองทุกนั่นแหละอืด้วยเหตุที่ว่าเวลากองทุกเวลาความทุกข์มันเกิดขึด้นที่จิตแล้วมันเลื้ออดเลือ้อนทนเมื่อความทุกข์ไม่มีในจิตแล้วนี่มีแจะความสุขสะดวกสบายปลอปล อ, ปอไม่มีอะไรมาบีบบังคับเลยเนี่ด้วยเหตุด้วยเหตุนี้เองอเราพอระลึกถึงความทุกข์ที่เราเคยประสบพบเห็นตอนตอนนั้ น, น, น, นเราได้ทุกอย่านได้ทุกอย่า ง, ง, างมัน แสนแสบสาหัสสาหันจริงๆแล้วก็ย้อนไปดูสาเหตุของมันสาเหตุคืออะไรสาเหตุคืออะไรโอ้เราทํางันโอ้เราทํากั้นโอ้เราทํางั้นเราทําดีอยู่แล้วทําไมว่าไม่ดีทั้งๆ ท, ที่เราทําไม่ดีแต่ทําไมเขาว่าดีเนี่ยเราพิจารณาไปแล้วเราก็ยอมรับไปโอ้ใจนี้ความจริงเราก็ยอมรับโอ้อันนี้ความจริงโเราก็ยอมครับ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 ให้เป็นไ ป, น ป, นปนตามใจบ้าเพราะทราบคติของมันแล้วว่าอันนี้คติเป็นอย่างนี้อันนี้คติเป็นอย่างนี้อันนี้คติเป็นอย่างนี้เลยไม่ไปดึงกองทุกข์มาทิ่มแทงหัวใจของตัวเองปล่อยโดยโด ย, โดยอัตโนมัติแล้วก็เป็นความสุขโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีสติมีสัมผัญใะอะไรมาระแวงระวังคือรัะได้แล้วตัดได้แล้วถอนราบถอนโคนได้หมดแล้วกิริยาปฏิกิริยาของจากรกิเลสที่จะเกิดขึ้น ภายในในเมื่ อ, ร, อรับทถอนบะถอนกดออกออกมาแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีสิ่งเหลนี้ก็ไม่มีร่างกายมีร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะร่างกายไม่ใช่ไม่ใช่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์ที่ชำระได้ร่างกายเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นผลผลของกิเลสเป็นวิบากขันอันเรียกว่าวิบากขันเป็นวิบากขันเป็นผลงานของกิเลสตราบใดที่เราชำระตัวนี้ยังไม่ได้ เรายังมีพบมีชาติพบชาติแล้วก็ไปสูงไปต่ําไปตามอำนาจของของกรรมที่อมแปงอยู่ในจิตพระกิตกรุกดิคพลิกวแปรยังไงนั่นแหละคืออำนาจของกรรมบางทีมันก็บวกหนึ่งบวกสองบวกสาบวกก็เรื่อยเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยถ้าคิดเรื่องดีก็บวกเรื่องดีไปเรื่อยบวกหนึ่งบวกสองบวกสามไเรยถ้าคิดเรื่องไม่ดีก็บวกหนึ่งบวกสองบวกสกลายเป็นวิบากกรรมทั้งทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายไม่ดีในที่สุด จิตพื้นๆจิตธรรมดาเนี่ย ม, มันมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีสับสนปนเปกันไปอยู่อย่างนี้แหละในวัฏสงสารเพราะฉะนั้นเราก็จะไปอย่างล้มลุ่มดอนดอดสุขบ้างทุกบ้างทุกทุกบ้างสุข บ, บ้างอยู่อย่างนี้สับสนปนเปกันอย่างนี้เลยแต่ถ้ า, ากเรารู้เราเข้าใจแล้วเรามาศึกษาเรืจริงของจริงผู้เรียกข้ามพ้นจา ก, กองทุกขันนี้ไปได้ผู้ริจ้า คุูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระสาวกพระอัยยะสาวกท่านเดินไปแล้วตรงกเราก็พยายามคลานตามท่านไปเนะอาละเอาละ